ชีวิต ท, ที่สามารถจะเจริญในมรรคมีองค์แปดได้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่การคลองเพศพมจันทร์คือไม่มีครูอันนั้นเป็นความหมายที่แค่คนเราถ้าตราบใดที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์แม้จะไม่ครบ32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 แต่ปรกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งเขเขีย okay, นว่าเนผมเกิดมาพิการแต่ผมมีความสุขและสนุกทุกวันช่างที่ไม่มีแขนไม่มีขาแต่เขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้ต้้งหลายอยา่างคือพึ่งตัวเองได้กินข้าวอาบน้ำใส่เสื้อผ้าเขียนหนังสือ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 มดแล้ชีวิตนี้ทําอะไรไม่เหมือนมนุษย์บรราเขาไม่มีแขนไม่มีขาแล้วจะทําอะไรได้โล่งนี่มันเป็นโล่งคนที่มีแขนมีขาอาการสายอีสองครบตอนนอายุสิบสามแต่ว่าพอก็ได้อ่านเรื่องราวของคนที่พิการเหมือนเขานะแต่ว่าสามารถจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ก็ เ, เกิดแรงบันดาลใจว่าเ อ, อ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 สิ่งที่มีคุณค่าเป็นความประเสริฐอย่างหนึง่งและร่างกายคนเราเนี่ยแม้มันจะไม่ครบสายุ2นะแต่ว่าฝึกได้ฝึกให้ทำอะไรก็ได้อย่างโอโตะเกะก็ทำได้แทบทุกอย่างนิกก็เหมือนกันนะเขาก็สามารถขับรถได้สามารถจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอยู่คนเดียวกินข้าวอาบน้ำถูฟัน บางคนก็มีเท้าไม่มีมือแต่สามารถเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ได้เพราะมากอย่างนักดนตรีชื่อโทนี่เมนเดสนี่ดนตรีของเขานี่มีคนฟังทั่วโลกนะทั้งที่เขามีแค่ขา2ข้างนันเองแต่เล่นกีตาร์คลาสสิกได้เพราะมากเอก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 แล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนได้หน้าตาท่นแจ่มใสยิ้มแยม้มตรงข้ามกับหลายคนที่มาปรึกษาท่านมีความทุกข์กันทั้งนั้นทั้นที่มีทุกอย่างมีสารภาพเดินเทินไปไหนมาไหนได้นะมีมือมีไม้ครบแต่มีความทุกขนะ์บางคนก็บอกว่า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 มีความแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานเมื่อจางกรรมลได้พวกเราทุกคนก็สามารถจะทำได้อย่างนั้นเหมือนกันมนุษย์เรานี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้จริงๆนะมีคนหนึ่งตาบอดที่จริงหลายคนเดียวนะตาบอดแต่ว่าเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ ไม่เท้าเลยบางทีไม่ใช่แค่ ม, มีไม้เท้านะขี่จักรยานได้ด้วยถ้ทาที่ตาบอดนะแล้วเขารู้ทางได้อย่างไรเขาบอกว่าใช้วิธีกระดะลิ้นนะมีคนนึงเขาเป็นเขาตาบอดตั้งแต่อายุสิบสามอายุสิบตั้งแต่สิบสามเดือนปีเศษเขาใช้วิธีกระดดลิ้นเหมือนกับค้างคาวหรือเหมือนกับเ a ด่านะ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 ไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวแต่คนที่ทำได้นี่ก็มีหลายคนาการแค่กระดอดลิ้นนี่มันมันมันหมายความว่าหูวเขานี่ต้องไวมากและสมองเขาก็สามารถแปลแปลเสียงให้เป็นภาพที่นึกขึ้นมาเองได้อันนี้น่าสัใ จ, จมากมันแสดงเห็นว่าคนเรานี่ถ้ายังมีแม้จะมีร่างกาย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 ปัจจุบันขนาดปัจจุบันขนาดนี้เป็นสิ่งที่คนมักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่มีคุณค่ามากท่านติสนาทันนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีคนนับถือทั่วโลกเป็นพระเซนชาวเวียดนามท่านเคยกล่าวไว้ว่าเนี่ยปัจจุบันคือเวลาประเสริฐสุดอดีตกับอนาคตก็ไม่ประเสริฐสุดเท่ากับปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี่คือเวลาที่ เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราสามารถจะทำสิ่งดีๆในชีวิตได้ไม่ว่าเราต้องการอะไรเช่นเราปรารถนาความสําเร็จก็ต้องทําเสียแต่เดี๋ยวนี้ลงมือทําเสียแต่ขณะนี้ถ้าต้องการความสุขก็ไม่ต้องรอความสุขในอนาคตหรือไปโหยหาความสุขในอดีตนะความสุขสามารถจะมีให้เราสัมผัสได้ในขณะนี้เวลานี้ แล้วก็ตรงนี้ด้วยจริงพิจารณา ง, ง่ายๆนะปัจจุบันขนาหรือการมีปัจจุบันขนาเนี่ยมันหมายคขาว่าเรายังมีชีวิตยอยู่เรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าคนตายนี่เขาไม่มีปัจจุบันแล้วมีแต่อดีตอนาคตก็ไม่มีแต่บางคนนี่ แม้มีลมหายใจก็เหมือนคนตายนะอยู่เหมือนตายเพราะว่าเขามัวแต่อารยโสกเศร้าเพราะคิดถึงแต่อดีตนะบางคนเสียสามีบางคนเสภภรรยาเขาทำใจไม่ได้ยางมีคนหนึ่งเสียสามีไปเป็นสามีที่ดีมาก เอาเป็นคนมีเอาใจใส่ครอบครัวรักลูกรักสามรักภรรยาแต่ว่าตายแบบปัจจุบันทันด่วนภรรยานี้ก็เสียศูนย์ก็ยอมรับความตายของสามีไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังทำอาหารให้สามีกินอยู่เลยเอาอาหารมาวางวบนโต๊ะที่สามีเคยนั่งอยู่เป็นประจาโทรศัพท์ถึงสามีทุกวัน โทรศัพท์ถึงเบอร์ของสามีอะนะซึ่งมันก็นว่าเขายังมีชีวิตยอยู่แต่เธอไม่สนใจลูกไม่สนใจอะไรเลยอันนี้เหมือนกับว่ายังมีชีวิตเหมือนตายแล้วนะก็คือว่ายังอยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรือคนที่เป็นมะเร็งพอรู้ว่าเป็นมะเร็งฉะนั้นแหละซึมเลยไม่รับรู้ปัจจุบันแล้วกังวลถึงอนาคตคิดถึงอนาคต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 เป็นคนที่มีชีวิตชีวาคนที่ฝันถึงอ น, นาคตนะบางทีเราก็เรียกว่าคนหลงคนละเมออันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนหลงคนละเมอนี่จะมีชีวิตที่พาสุกได้อย่างไรนะจะมีชีวิตชีวาเหมือนคนที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรปัจจุบัน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 เพลงเพราะแค่ไหนแต่ถ้าว่าใจกังวลถึงงานการอยู่เพลงนั้นก็ไม่มีคุณค่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกถ้าเกิดว่าเรายังเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปในอนดีตทุกสิ่งจะมีค่าได้ต่อเมื่อใจเราเนี่ยรับรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้ น, นแม้กระทั่งธรรมะ ที่จะสามารถยกจิตจกใจของไล่พ้นจากความทุกข์ได้นี่จะรับรู้ได้ก็ต้องใจเปิดรับอยู่กับปัจจุบันนะพระอาหารหันต์นี่ท่านบรรลุธรรมเพราะว่าท่านพิจารณาสิ่งที่ปรากฏแก่ท่านในปัจจุบันเห็นอย่างแจ่มแจ้งจนเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งในธรรมะสิ่งที่ปรากฏแก่ปัจจุบันสุข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 ขอขคุณพ่อบุณอาการเชนไว้อันนี้คือข้อความตอนหนึ่งในบทสวดมนต์ที่ที่นิสวดเป็นประจำเดี๋ยวพวกเราก็คงจะได้สวดบทนี้เป็นบทที่ชื่อถึงการที่เห็นความําญให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณนนะทำความเพียรในปัจจุบันรวมทั้งการที่เปิดใจรับสิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะ ถ้าหากว่าพิจารณาให้เป็นมันก็เห็นก็ทำให้เกิดธรรมะขึ้นได้อย่างพระนักสมาทเฏฐานี้ท่านเข้าไปในเมืองเห็นหญิงฟอ้อนลำแต่งตัวสวยงามนะประดับประดาด้วยดอกไม้มีดนตรีบรรเลงขณะที่เธอกำลังฟอ้อนลำใครๆเห็นก็เกิดความหลงนะแต่ว่าท่านนี่ เห็นก็พิจารณาวาอ๋อนี่คือกับดักของมัจจุราชเป็นกัมดักของมารโลละเต็มไปเต็มไปได้วยโทษท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายจิต ก, ก็หลุดพ้นนะเห็นนางฟอ้อนรำเห็นหญิงฟอ้อนรำสวยงามนะแต่ว่าใจท่านไม่หลงท่านก็พิจารณาก็เป็นการบรรลุธรรมจากการที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า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 อย่างบางท่านขนาดถูกเสือกัดเจ็บปวดมีทุกขเวทนามากแต่ว่าท่านก็เอาทุกขเวทนานั้นมาพิจารณาเขาเรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์ดูเวทนาดูความปวดใจไม่ได้ปวดด้วยนะไอ้ที่ปวดมันปวดแต่กายแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยแต่ก็พิจารณาจนเกิดปัญญาเห็นแล้อสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง ไม่น่ายึดถือเลยทั้งก็ปล่อยจอจพอปล่อยจิตก็หลุดพ้นเลยเป็นพระอาหารหันต์ขณะที่ยงอยู่ในปากเสืออันนี้ก็เรียกว่าท่านท่านพิจารณาปัจจุบั น, นธรรมปัจจุบั น, นธรรมในขณะนั้นก็คือความปวดเป็นอาการที่เกิดกับกายแต่ว่าถ้ า, าว่าใจอยู่กับปัจจุบันคือมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ย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 ปัจจุบันขนาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากนะเราต้องใช้ให้เป็นนะโดยการที่เราเปิดใจรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมนะเวลาทำงานใจก็อยู่กับงานที่ทำอันนี้ก็เรียกว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันแล้วหรือแม้แต่เวลาจะคิดเรื่องอะไรที่เป็นงานเป็นการและใจเราก็อยู่กับสิ่งที่คิดนั้น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 ภูมิใจก็เพราะไม่รู้สึกตัวที่โกรธเกลียวกลัวก็เพราะไม่รู้สึกตัวการทำความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นเนี่ยมันสำคัญมากม่ททำให้มันก็เป็นประตูมันก็เป็นกุญแจไขไปสู่ขุมทรัพที่ปัจจุบันธรรมนะเตรียมไว้ให้เราท่านทินาทานก็พูดเหมือนกันนะว่าท่านเขียนไปเป็น เป็นภาษิทนะเอาไว้เคยไปเยี่ยมท่านเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ปากช่องท่านก็มอบอภาพภาพหลายพุ ก, กันเป็นคติธรรมท่านบอกว่าช่วงขณะนี้เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ช่วงขณะนี้คือปัจจุบันขณะนี้แหละมันเต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ความสุขก็ดี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 ที่คนเราสามารถจะบรรลุทำไดนะ้อันนี้มันเป็นความจริงที่ทุกคนสามารถจะทําได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาริยะโลกุตตระธรรมเป็นทรัพย์ประจําตัวของทุกคนอริยโลกุตตระธรรมก็หมายถึงว่าความสภาวะที่เป็นอิสระจากทุกข์เอนอิสระจากกิเลสนะ มันเป็นทรัพย์ที่มีอยู่กับเราทุกคนอันนี้คือสิ่งประเสริฐสูงสุดอันหนึ่งนะที่เรามีจะเลือกเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดที่สุดก็ไดนะ้ความเป็นมนุษย์มันไม่มีค่าเลยนะถ้าว่าไม่มีสิ่งนี้หรือว่าเราไม่รู้จักสิ่งนี้ที่มีรแล้วในใจเรานะมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะ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 หรือเราได้รู้ว่าเรามีความสามารถตรงนี้อยู่และสามารถใช้ อ, อริยะโลกุตตรธรรมนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นจริงกับเร า, เาการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อมาค้นพบนะว่าเรามีสิ่งประเสริฐที่สุดอยู่แล้วในใจของเรานั่นคือความสามารถในการพ้นทุกข์ความสามารถในกการที่อยู่เหนือ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 จะพึงมีกับเราก็จะบังเกิดขึ้นได้นั่นคือความพ้นทุกข์ที่พูดมาตั้งแต่ต้นน่ะว่าจะเป็นความเป็นมนุษย์ก็ดีการมีร่างกายที่เป็นอย่างมนุษย์มีความคิดมีจิตใจที่รับรู้รู้สึกได้ใคร่ครวญได้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 ถ้าาจารย์พุทาใช้คาว่าเพื่อให้ได้เข้าถึงศักยภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์พึงจะมีนะศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เราคือการความสามารถในการพ้นทุกชนะิดที่เราไม่ต้องพึ่งพาหรือพึ่งพิงสิ่งภายนอกจริงอยู่ร่างกายมันก็จังต้องพึ่งพิงอาหารต้องอยังต้องอาศัยน้ำอากาศ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 หรือไม่รู้จักนี่นะก็จะเรียกว่าเสียชาติเกิดก็ได้นะและเมื่อไหร่ทำให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่เสียชาติเกิดแต่ยังสามารถจะทำร้ายตัวเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นไะด้นะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกนะถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์อยู่กับตัวเราตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้อยู่เหนือทุกข์ได้นะถ้าเรารู้จัก สิ่งประเสริฐสูงสุดที่เรามีที่เราครองอยู่แล้วอ่ะชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้กลับับ